จากทานายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านอืมบันดนี้ฉันรู้ประวัติของนายดีแล้วนะครับอยากรู้ไม่ว่าฉันรู้ประวัติของนายมาได้ยังไงอยากรู้ครับคนรักของฉันยังไงล่ะเอ๊ะคนรักของท่านรู้ประวัติผมได้ยังไงครับท่านคนรักของฉันเนี่ยไปโดนจับเป็นผู้ต้องสงสัยค้า ย, ยาเสพติดอยู่ในห้องขังแล้วก็รู้จักกับนายเขาก็เพิ่งจะพ้นผิดออกมานี่เองอ๋อ ใช่พี่ที่ชื่อชื่อเดี๋ยวนะฮะผมขนึกชื่อนิดนึง อ, อ, นอ๋อนึกออกแล้วครับเขาชื่อสมพรถูกต้องไหมครับท่านอ๋อเขาเป็นคนรสของท่านเหรอฮะใชะ่พระเจ้าทรงบันดาลจริงๆนะเนี่ยฉันรู้มาว่านายเพิ่งจะจบปริญญามาทางด้านการเกษตรมาด้วยใช่ไหมครับฉันอยากให้นายมาช่วยงานฉันฉันจะส่งนายไปศึกษาทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อเตรียมแผนการพัฒนาทางการเกษตรของประเทศขนาดใหญ่นายอยากร่วมงานกับฉันเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองไหมล่ะให้ชาวเกษตรกรของไทยเราเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากเทียบเคียงเกษตรกรในยุโรปหรือในอเมริกาไงอืมอไงอมยิ้มอยู่อย่างนั้นหมายความว่าไงตกลงครับท่านผมดีใจอย่างเลยครับท่านท่านเอ็นดูและสนับสนุนผมขอบพระคุณท่านมากครับไม่เป็นไรล้อก อืนายก็อยู่กับฉันก็นแล้วกันนะฉันขอนายจากพลตารวจเอกไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอึดอัดใจที่อยู่กับฉันหรือเปล่าหรืออยากจะออกไปอยู่ข้างนอกตอนลําทังก็ได้อยู่ท่านแหละดีแล้วครับอืมอืมแล้ววันนี้มีอะไรผมช่วยไหมฮะอ๋ออย่างอ ย, งอ ย, งอยงฉันยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะเ อ, อ่อฉันแค่คิดเข้าคราวว่าจะให้นายเดินทางไปไหนก็เพียงเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวนายอยู่ในห้องทํางานของฉันก่อนอ่านหนังสือไปหรือว่าเดินไปไหนก็ได้แต่อย่าไปไกลนักล่ะเผื่อฉันต้องการจะออกไปทำธุระข้างนอกฉันจะได้พานายไปด้วยอ๋อครับเออปุกองครับผมขอบใจมากนะที่อุตสาห์เอาคนดีๆมาให้ฉันนะไม่เป็นไรครับท่านกลับยินดีซะอีกครับที่คนดีๆอย่างนายยิ่งศักดิ์ยังมีผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นคุณค่าอยู่เนึ่องว่าประเทศนี้จะขาดคนมีน้ำใจซะแล้วครับท่านมีสิ คนมีน้ำใจงามนะมีออกมากมายขอบใจมากเออเดี๋ยวว่างๆจะโทรชวนไปตีกอล์ฟสักหน่อยนะไปไหมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับท่านงั้นผมขอตัวก่อนนะครับท่านเชิญเชิญเออผมไปส่งพวกกองนะครับจะเอาอย่างนั้นหรอยิ่งครับพอเจ อ, อครั้งนี้แล้วจะไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับพวกกองเอาอยากเดินไปส่งก็ตามใจไม่ว่ากันไปครับพวกกอง ท่านครับเดี๋ยวผมมานะฮะไปเอไปต้องรีบนะเพราะตอนนี้ฉันยังไม่มีธุระที่ออกไปข้างนอกครับท่าน ใจมากที่เดินมาส่งฉันที่หน้าตึกขอบพระคุณผู้กองมากนะครับครั้งใดก็ตามที่ผมเดือดร้อนจะต้จะมีผู้กองยื่นมือมาช่วยผมเสมอเลยครับผมทราบซึ้งใจเหลือเกินครับไม่เอาน่าอย่าคิดมากผมถือผู้กองเป็นญาติผู้ใหญ่ผมคนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยฉันรู้อยู่กับท่านนายกเนะี่ยเป็นโอกาสของเธอแล้วนะอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเธอแล้วยิ่งตอนนี้นะเธอมีความรู้ติดตัวมาแล้ว ก็เหลือแต่ประสบการณ์ซึ่งค่อยๆเรียนรู้เอาก็ได้ยิ่งทนา ย, ยกเปิดทางให้เธอมากขนาดนี้เธอลุยได้ทันทีเลยครับผู้กองฉันขออวยพรให้เธอโชคดีนะหลังจากที่เธอโดนพายุร้ายโหมกระหนำ่ำมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนี่ครับผู้กองแล้วนี่เราจะไปกินข้าวกันได้เมื่อไหร่ละเนี่ยเออเย็นนั่เลยดีไหมครับไปได้จริงเหรอทำไมจะไม่ได้ละ่ะฮะเกรงท่านนายกจะลากไปไหนต่อไหนนะสิอยู่ติดตัวท่านนายกแบบนี้เนี่ย เกิดท่านนายกปุบปับไปต่างจังหวัดเธอก็ต้องตามท่านไปทันทีก็ถ้าไม่มีอะไรไปกินข้าวกันได้ไม่ใช่เหรอฮะแล้วจะรู้ไหมล่ะเนี่ยจะให้ฉันโทรเข้าที่ทํางานท่านนายกหรือไงเลขาไม่มีวันยอมโอนสายไปหลอกเ <t> ชื่อเหรองั้นพี่จะเป็นคนโทรหาพู้กองเองดีกว่ามาั้งจริงๆนะจริงแท้แทน่นอนเลยครับรับปากแล้วนะครับโทรไปก่อนห้าโมงเย็นนะยิ่งเพราะฉันจะอยู่ที่โรงพักจนถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นน่ะได้ครับงั้นฉันไปเลยนะ รับกอง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 You can't. Love her, it's like she's. ก็ใครแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเธกีนไม่รู้แลสักจุดรักนี้นับหนึ่งวันชิจกระชิให้คำสาเโยรนงชครจะรู้ว่าใครดีกว่กันใครจะูกก Time. ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองึูงถึงใบตุ้เธอคงมองสูงถึงความหวังดีที่มี ตาจะมองไม่สื้อถึงความบูชาว่าฉันสรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแต่หัวใจอ่อนอของเธอทำดูสิ่งใดฉันไปสัสทผบสสถานสะเทือนเหมือนหัวใจ 成败。 For oh, what? Oh, oh, oh. ในชีวิตเราต้องมีช่วนที่ดีและร้ายอาจมีใครมากมายที่รมสุขตัวตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกที่ชีวิตคน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 ยังดึงคำว่ารักคำนั้นยังดึงความรู้สึกนั้นคสนั้นมีค่า จะได้รักกันกว่าที่เราจะมีคําว่าเราเก็บเอาไว้สิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันลบเลือนก็จะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กันบ้านที่คนเราเหมือนจะเนื้ ที่มีความหมายด้สำค่ญ นนัน้คำสําคัญนั้นมีค่าประสาวไว้ให้ดีอย่าลืมคำว่ารักคํานั้นที่เคยบอกกันแลกกันเพงกคคืนวันได้เลยผ่านอย่ามองคำบังสิ่งมองคำบางอย่างอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นลืมความรู้สึกนั้น I'm s o r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 ขาอะไรอ่ะขาเธอ呐สิจ๊ะขาอะไรฉันไม่เห็นมีอะไรน่าขําสักหน่อยทําไมจะไม่มีก็ที่เธอนั่งเหม่อลอยอยู่นี่น่ะมันน่าขำไม่ล่ะือแค่นั่งคิดอะไรเพลินเพลิเท่านั้นเองคิดอะไรเพลินเพินหรือคิดอะไรเครียดเครียดจนสมองจะระเบิดแตกเป็นเสียงเสียงแล้วกันแน่เธอถามจริงก็ตอบจริงอะคิดถึงพี่ยิ่งใช่ไหมล่ะไี่บอกอ้าวก็ตะกี้นี้เธอบอกว่าตอบจริงนี่นะก็ฉันว่าไงล่ะ คิดถึงพี่ยิงใช่ไหมล่ะใช่แล้วจะทำไมอ่ะไม่ทำไมหรอกแค่อยากจะบอกเธอว่าไม่ต้องนั่งคิดถึงให้ปวดหัวหรอกโทรไปหาเขาที่บ้านเลยอุ๊ยม่ดีแน่ทำไมจะไม่ดีล่ะดีแท้แน่นอนแต่ว่าเชื่อฉันสิโทรเลยโทรไปเลยเออเขาให้เบอร์ที่บ้านกับเธอหรือเปล่าให้มาไหนอยู่ไหนอยู่นี่ยจะอืมเดีย๋ยวฉันจะเป็นคนโทรให้เธอเองนะเ อ, อ้ยนี่หยานะสาวโถ่เอ้ยดูสิพูดไม่ยอมฟังกันเลย เดี๋ยวก็ได้เกิดเรื่องจนได้หรอกเกิดก็เกิดสิก็คนมันคิดถึงนี่นาสาวเธอ บ้านพลตารวจเอกชัยพิชัยฤทธนรงค์ค่ะค่ะคะว่าไงคะขอสายคุณยิ่งศักด์ด้วยค่ะบอกว่าเพื่อนที่มหาวิทยทาลัยโทรมาค่ะคุณยิ่งอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะว่าไงนะนี่สาวมีอะไรหรอท่าุทานเสียงหลงเลยนะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวนะเธอเฉยไว้ก่อนฉันจะถามต่อสักหน่อยนะ่ะฮัลโหล ยังพูดอยู่อีกหรือเปล่าคะพูดพูดพูดอยู่ค่ะเออทำไมเขาถึงย้ายออกไปกระทันหันอย่างนั้นล่ะคะก็วันก่อนเพิ่งจะรับปริญญามาหมาดบานนี่นาะคุณยิ่งอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะอยู่ก็โดนแกล้งจนกระอักเลือดตายนะคะทำไมละ่ะเพราะว่าภรรยาคนใหม่ของท่านคิดจะรวบคุณยิ่งทำผัวอีกคนนะคะฮะ นี่มันเรื่องจริงเหรอเธอจริงสิคะเนี่ยคุณเธอหาเรื่องจนท่านน่ะต้องโทรแจ้งตำรวจล่าคุณยิ่งเข้าคุกไปแล้วด้วยค่ะว่าไงนะแต่กี้นี่เธอพูดว่าไงนะแจ่วบอกว่าตอนเนี้ยคุณยิ่งอยู่ในห้องขังค่ะจริงเหรอนี่ก็จริงนะสิคะแต๋วจะไปโกหกคุณทำไมล่ะคะนี่มันอะไรกันน่ะ ถ้าอยากไปหาคุณยิ่งก็ต้องไปหาที่โรงพักนั่นแหละโรงพักไหนล่ะก็โรงพักไหนล่ะที่คุณยิ่งพักอาศัยนะ่ะก็ต้องเขตที่ตั้งอยู่ ใ, ใกล้ๆบ้านท่านนี่แหละค่ะออขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกค่ะออมีอะไรอีกไหมคะไม่มีละแค่นี้นะค่ะวัน ด, ดีค่ะวัน ด, ดีจ้า อําอํามึงทําไมเล่าคือว่าฉันรีพูดมาเร็วเข้าเอรู้ว่าหรืออะไรด้วยจะเป็นจริงตามที่เ่จมฝันนะสิไม่หรอกหน้าอย่าคิดมากสิแต่ว่าฉันฟังให้ดีนะฝนตอนนี้พี่ยิ่งของเธอโดนตำรวจจับข้อหาลวนลามทางเพศไม่ฉันไม่เชื่อเด็ดขาดฝนฉันไม่เชื่อต่อให้ออมพร้าวมาพูดฉันก็ไม่เชื่อคนอย่างพี่ยิ่งนะ่ยเป็นสุภาพบุรุษจะตายไปเขาไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ โอ้พี่ยิ่งเอาไงหรือจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพักดีไหมได้เราไปกันเดี๋ยวนี้เลยนะสาวจ้าจ้าไปเลยจ้ะคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่าน